อย่าเพลินทำบุญกับพระแล้วลืมพ่อแม่ถ้าหากว่าใครไม่สนใจกับการดูแลเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่และก็มาทำบุญกับหลวงพ่อนี่หลวงพ่ออยากจะบอกว่ามาทำทำไมพ่อแม่เป็นพระองค์พระเสริฐของเรานี่ไปเที่ยวเร่ร่อนหาทำบุญแต่ต่างถิ่นต่างแดนแต่ปล่อยให้พ่อแม่เฝ้าบ้านต้มหุงกินเองอยู่คนเดียวมันไม่เข้าท่า คนอื่นจะไปทำบุญที่ไหนต้องกะว่าพ่อแม่เราต้องอิ่มมีของดีๆขนไปทำบุญกับพระกับสงฆ์หมดกล้วยเน่าๆเอาไว้ให้พ่อแม่กินมันไม่เข้าท่าเลยนะจะบอกให้เอาไปทำบุญกับพระอย่างไรก็ต้องให้พ่อให้แม่ด้วยทำอย่างนั้นมันถึงจะถูกต้องหรือไม่ก็ให้ดีกว่าก็ยังได้เราสมบัติทุกสิ่งส่วนของเราได้มาจากท่านเรามีมือมีเท้าสาหรับเดิน ท่านเป็นผู้สร้างให้เราแล้วเรามีวิชาวความรู้ท่านก็เป็นผู้หาให้เราเพราะฉะนั้นจะไปมองข้ามท่านได้อย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลบหลู่ดูหมิ่นไม่ได้บางคนเอาโฉนดที่ดินมาให้เป่าโอ้ยขอให้ขายได้เถอะขายได้แล้วจะมาทาบุญกับหลวงพ่อโอ้ยอย่ามาให้สินบนหลวงพ่อเลย ถายได้จะเลี้ยงครอบครัวให้มันสุขสบายนั่นมันเป็นความจริงเรามีเงินมีทองมีทรัพสมบัติเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวของเราให้มีความสุขสบายบุญนั่นเอาไว้คุยกันทีหลังคนทั้งหลายไปมองข้ามจุดนี้มาตาปิดตุอุปัทานังอุปถากเลี้ยงบิดามารดาก็เป็นบุญปุตตธธาราศสังขโหเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียให้มีความสุขก็เป็นบุญ ใครทั้งหลายก็มัวแต่จะไปหาเอาบุญกับรักกับสงฆ์ไม่ทราบว่าปรบท่านจะมีบุญที่ไหนมาให้เรามากมายนักหนาแต่ตัวท่านเองท่านก็ยังจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว